เรื่องพระฉั พ, พักคีสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวคล้ายเพลงขับคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร จึงสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวเหมือนพวกเราขับร้องเล่าบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าฉไนพวกภิกษุฉับพัก ค, คีจึงสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวเล่าครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 จะพากันตามอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับยาวมีโทษห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาวรูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ